อาตมา จ, จะขอถวายพระพรในจริญโประการที่พระมหาบาพิตรมีพระราชประสงค์แปลว่าเวลาการที่เนิ่นช้ามาตมาและไม่ได้บันทึกเสียงถวายตั้งนี้ก็เพราะว่าคอไม่ดีพูดเสียงไม่ออกไม่สามารถจะบันทึกได้เป็นเวลานา น, านมาในโอกาสนี้ เสียงพอจะใช้ได้บ้างแต่ก็ยังไม่ปกติเห็นว่าสมควรจะบันทึกตัวายได้แล้วจึงบันทึกตัวาหมาสำหรับจริตถกในตอนนี้อาตมาจะขอปรารถเรื่องราคาจริตที่พระมหาบาพิตรเคยตรัสว่าบางคนเขาเข้าใจว่าตัวเขาเองไม่มีราคาจริตความจริงคำว่าราคาจริต ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้ายในกามารมณ์เสมอไปทั้งนี้ก็หมายถึงว่าบุคคลใดก็ตามยังมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมร็อร่อยการสัมผัสเป็นที่พอใจอย่างนี้เป็นต้นก็ช่อว่าบุคคลเป็นผู้มีราคะจริต เรื ว, ว่าราคาจริตหมายถึงว่าการรักสวยรักงามเป็นต้นนีได้หมายความว่าเป็นผู้มกักมากในกามารมณ์นี่คนส่วนใหญ่ถ้ากล่าวคือว่าราคาจริตก็มักจะมีความเข้าใจว่าตนเองจะเป็นผู้มกักมากในกามารมณ์จึงจัดว่าเป็นราคาจริตความเห็นเช่นนี้จะมีการพลาดจากความจริงไปมาก ก็เป็นเหตุในบุคคล น, นั้นมีความประมาทคิดว่าตนเป็นผู้ไม่มีราคะดังนั้นในการที่พระมาหาวพิธทรงมีพระราชประสงค์ต้องการยให้บันทึกเฉพาะจริตต่อจริตหรือว่าจริตหนึ่งต่อหนึ่งเทปปัตมาหินชอบด้วยสำหรับราคาจริตนี้เป็นอันว่าพอจะเข้าใจได้ว่าคนใดก็ตามถึงแม้ว่าไม่มีความรู้สึกทางเพศ ถ้ายังมีความต้องการรูปสวยภาจะน่าสวยดอกไม้มีลักษณะสวยอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> <c oughs> ก็จะยั่งคีดว่ามีราคะในปิตการหนึ่งอารมณ์ใดที่ปรากฏอารมณ์นิ่งอยู่ในความพอใจในกามอารมณ์อารมณ์นั้นยังจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีราคะจริตไม่ได้ ก็อาัยการสัมผัสเป็นสําคัญถ้าความสัมผัสและการยั่วเย้าทําให้เกิดขึ้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้มีอารมณ์ด้านจั ก, การามารมณ์จริงๆอย่างนี้จึงจะใช้ได้สําหรับท่านที่มีอารมณ์ด้านจั ก, การามารมณ์โดยอํานายของธรรมะก็จะต้องมีข้อเปรียบเทียบอีกข้อหนึ่ง มันก็คือไม่มีอารมณ์โทสะเข้ามาเจือปนเ <c oughs> <c oughs> มื่อคนที่ไม่มีราคะจริต จ, จริงๆตัดความรู้สึกในเพิได้จริงๆ <c oughs> ก็ต้องตัดโทสะร่วมกันได้ด้วยทั้งนี้เพราะว่าเป็นองค์ของพระอนาคามีนี้ต่อไปนี้ธรรมาจะขอปรารภเรื่องราคะจริตที่องค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรได้ทรงตรัส ว่ามีกรรมฐานสิบเอ็ดอย่างควบคู่กันเป็นผู้เข้าทำลายฤพลรหัตประหารราคาจริตสำหรับกรรมฐานสิบเอ็ดอย่างนั้นอาตมาจะขอย่อลงมาเหลือเป็นสองคือหนึ่งกายกาตานุสติการพิจารณากายว่ามีแต่การสามสสองคือผลขมคนและฟันหนังเนื้อเป็นต้น และทุกส่วนของร่างกายองค์สมเด็จพระจอมไทยให้พิจารณาว่าเต็มไปด้วยความสกปรกกาไม่เห็นสกปรกเป็นของน่าเกลียดอย่างนี้เป็นนักษณะของอสุภกรรมฐานอีกสิบอย่างแตามาจะไม่จำแนกแต่ได้อย่างจะขอถวายพระพรแบบรวบๆทั้งนี้เพราะว่าพระมหาวพิษทรงมีความเข้าพระทัยดีแล้วในเรื่องนี้ แต่ว่าพระมหาบพิตรทรงมีความสงสัยและแคลงใจในด้านการพิจารณากายว่าจะทำอย่างไจงจึงจะเห็นว่าร่างกายสกปรกนี่เป็นส่วนที่มหาบพิตทรงมีความสงสัยมากแล้วก็จะรู้สึกว่าเห็นด้วยไม่ได้ ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตรัสสั่งว่าหรือว่าจริตของผมจะไม่ตรงกันอันนี้ธรรมาก็ขอถาวายพระพรว่าข้อนี้เป็นความจริงเรื่องการที่จะทำลายนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งก็ดีหรือจะทำลายกิเลสจุดใดจุดหนึ่งก็ดีซึ่งเป็นจุดใหญ่อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริฎมศาสสดาหให้มุ่งจริตเป็นสาคัญ อย่างบุคคลผู้มีพุทธจริตเป็นบุคคลที่มีความฉลาดมากแต่ อ, อย่างนี้ตามมาเคยประสบมาในสมัยที่เคยฝึกร่วมกันว่าเขาผู้นั้นไม่สามารถจะเจริญในอสุภกรรมฐานได้และไม่สามารถที่จะเจริญในกายย क ตานุสติได้ทั้งนี้เพราะว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อปานวัดบ้านลุงโคเคยเตือนท่านพูกนั้นว่าเธอไม่เหมาะสมที่จะไปพิจารณาสุปกรรมฐานอันนี้ก็เพราะว่าจริตของเธอไม่เหมาะสมสําหรับพระมหาบพิตรก็เช่นเดียวกันอาตมาพิจารณาแล้วเห็นว่าพระมหาบพิตรมีพระจริตไป็นด้านพุทธจริตเป็นสําคัญ นอกจากนั้นก็มีศรัทธาจริญเจียพนผสมอยู่ที่มีกําลังมากหากว่าจะมาพิจารณาในด้านอสุภกรรมฐานและการยักขานุสติกรรมฐานย่อมจะเห็นยากหากว่าจะทรงตรัสถามว่าถ้าไม่สามารถจะใช้อสุภกรรมฐานกับการยักขานุสติกรรมฐาน อย่างนี้อารมณ์สมาธิจะมีผลไหมแต่มาก็ต้องของทอถวายพระพร์พราสมาธิมีผลแน่ไปตามสายของโลกิยะฌานแต่เมื่ออารมณ์สมาธิจะก้าวเข้าสู่โลกุตระฌานในขั้นรสโนาวัน ก็ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้กายะตานุสติกรรมฐานและสุภกรรมฐานเป็นกําลังใหญ่ต่อเมื่อกําลังใจเข้าก็ก้เข้าไปสู่สกิทาคามีตอนนี้กายะตานุสติกรรมฐานก้าวสุภกรรมฐานเริ่มมีบทบาทเล็กน้อยพอสมควรไม่มากนักถ้ากําลังจิตก้าวเข้าสู่พระอนาคามีมกัก ตอนนี้มีความสำคัญต้องใช้กายกตานุนติราสุปธรรมฐานเป็นกำลังใหญ่ควบคู่กับพรหมิหารสี่ตอนนี้ก็เพราะว่าพระอนาคามีจำต้องตัดราคะคือความกำหนัดยินดีในเพศและปฏิคะอารมณ์กระทบกระทั่งแห่งจิตตอนนี้ถ้าพระมหาบพิตรจะทรงแต่ถามว่าถ้าไม่ฝึกฝนในด้า น, น ราคาจริตไปแล้วคือมาเจริยสุภกรรมฐานกับกายกตานุสติกรรมฐานไปในตอนต้นมุคคลเรียก้าวเข้าสู่เป็นพระนาคามีจะมิไม่มีผลหรือทั้งนี้ทำมาภาพก็ต้องถวายพระพรเมื่อการเวลาเป็นเรื่องสําคัญเพื่อการนำอารมณ์จิตเข้าเก้าเข้าสู่ในความเป็นพระโสดาบัน ย่อมมีกำลังมากกับชานโลกีกเพื่อรมทรงตัวนีตอนที่จิตจะก้าวเข้าสูส่พระสกีตาคามีย่อมเป็นของไม่อยากเมื่อเข้าถึงก้าวเข้าสู่เป็นพระสีตาคามีมักในตอนนี้ก็ใช้อสุภกรรมฐานกับกายจกตานุสติกรรมฐานมากขึ้นอาศัยที่านเป็นชานโลกุตระเมีการทรงตัว จะทำลายความรู้สึกในเพศเด็เล็กน้อยพอสมควรเมื่อทรงความเป็นพระสกิธาคามีแล้วตอนนี้มีจิตมีกำลังเข้มแข็งขึ้นการจะใชอารมณ์เข้าประหัสประหารการมารมณ์เริ่มน่ายกายกตานุตติแล้วสุพกรรมฐานเป็นของไม่ยากตอนนี้ข้อเปรียบเทียบ ก, ก็จะเหมือนกับนักเรียนที่ศึกษามมื่อแต่ชั้นอนุบาล เราขึ้นมาถมปีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้าศึกษาตามลาดับนี้จะรู้สึกว่าไม่หนักถ้าอยู่อยู่โตแล้วเรียนลักรู้สึกว่าจะหนักมากกว่าเแต่คนที่มีความอภัยายามมีวิทยาอุตสาหะจริงๆก็สามารถทําได้สําหรับพระรจ้าพะรบพระคอมแมหาบพิตรก็เช่นเดียวกันซึ่งทรง ถามว่าจะทํำยังไงจริงที่เห็นว่าร่างกายสกปรกพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สกปรกเหมือนกับเอามือไปหยิบของสกปรกมาแล้วก็มาล้างมันก็สะอาดใ น, นการพิจารณาในสุปกรรมฐานก็ดีใ น, นกายกาตาดุสติกรรมฐานก็ดี องสำเ็จพระจินาสีทรงปรารภว่าต้องพิจารณากายของตนเองด้วยพิจารณากายของบุคคลอื่นแลสัตว์อื่นนอกจากตัวเองด้วยพิจารณาวัตถุท่าต่างๆด้วยว่าเป็นสิ่งสกปรกไม่ทรงตัดว่าสมมุติว่ามือไปหยิบอย่างอื่นมามันเป็นของสกปรกแล้วล้างเสียมันก็สะอาด กรส่วนที่หยิบขอให้บรมหาบอกพิษทรงพิจารณาว่าส่วนที่หยิบเป็นปขอสกปรกถ้ามันเป็นอะไรเป็นวัตถุธาตุหรือว่าเป็นร่างกายส่วนชิ้นส่วนของร่างกายของขนสัตว์ถ้าเป็นวัตถุธาตุองค์สมเด็จพระบรมโล ก, กนกกลา่าจะกล่าวว่าท่นธาตุดินถ้ามันเป็นของแข็งธาตุดินมีสภาวะสกปรก ถ้าเป็นของเหลวก็จัดว่าเป็นธาตุน้ําก็แสดงว่าน้ําสกรปรกนั่นสำหรับธาตุดินกับธาตุน้ำนี่ในร่างกายมีหรือเปล่ามีดินไหมหรือว่ามีน้ํำไหมเมื่อมาพิจารณาเ็นธาตุดินกับธาตุน้ําในร่างกายมีเมื่อส่วนใดที่มีความเข้มแข็งสิ่งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพาาทุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นธาตุดิน ถ้าส่วนใดเป็นของเหลวในร่างกายส่วนน้ําอมนั่นอง์สมเด็จพระจอมไตรเรียกว่าธาตุน้ํานี่มาพิจารณาธาตุดินกับธาตุน้านําในร่างกายของตนเองว่าธาตุน้ําส่วนไหนในร่างกายที่ไม่สกปรกถ้าจะพ้วนน้าลายออกมาเคละถ้าจะบ้วนนําลายออกมาน้ําลายในปากอมได้ แต่พอบวนออกมาแล้วทุกคนพากันลังเกียจว่าน้ำลายสกปรกก็ต้องถอยหลังเข้าไปพิจารณาน้ำลายว่าเป็นของอยู่ที่ไหนถ้าเป็นของอยู่ในร่างกายก็สแสดงว่าส่วนของร่างกายมีความสกปรกถ้าจะสั่งน้ำมูกออกมาน้ำมูกออกมาจากร่างกายแล้วก็พิจรนารณานว่าน้ำมูกนี่สกปรกหรือสะอาด เมื่อพิจารณาไปแล้วก็เห็นว่าน้ำโมกสกปรกต้องถอยหลังคิดว่าน้ำโมกที่มาจากไหนถ้าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาจากร่างกายทุกคนก็ทราบว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสกปรกอันนี้ก็ต้องถวนคิดว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ที่ไหนหันไปอีทีเจนว่าอยู่ในร่างกายนี่ส่วนย่อยแค่นี้ ถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าส่วนที่เป็นน้ําในร่างกายเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดตอนนี้มาพิจารณาธาตุดินว่าธาตุดินที่อยู่ในร่างกายเป็นของสกปรกหรือว่าของสะอาดคนถอยหลังสิ่งรีระร่างกายภายนอกส่วนที่มีความสัมพันธ์ที่สุดก็คือหนังกําพร้า นังกัมพรานี่นกนปกติจะมีความเกลี้ยงกลาำอยู่แต่ถ้าว่าอาศัยการซึมออกมาจากเหงื่อเมืเ่อเหงื่อซึมออกมาจากร่างกายคนทุกคนก็จะต้องยอมรับว่าเวลานี้ร่างกายสกปรกแต่ว่าเมื่อร่างกายสกปรกมีความเหนียวเหนีวเหนอะไป่ได้เหงื่อทุกคนก็จะพากันอาบน้ํารลอเช็ดตัวชำระร่างกายให้สะอาด ความรู้สึกว่าสกปรกก็หายไปเลยมีความเข้าใจว่าร่างกายสะอาดถ้าว่าการชำะระล้างครั้งเดียวสะอาดตลอดการก็ควรจะยอมรับว่าร่างกายสะอาดได้แต่แต่ว่าก็ไม่สะอาดจริงเพราะต้องอาศัยการชำะระล้างร่างกายเป็นสําคัญจึงมีอาการเช่นนั้นถ้าร่างกายสะอาดจริงๆตั้งแต่เกิดมาจนวันตายก็ไม่ต้องชำะระล้างราง่รางกาย มีการชำระร่างร่างกายมีการอาบน้ำมีการเช็ดตัวกันตามปกติก็เพราะว่าร่างกายเป็นของสปกปรกแต่ใส่ความเคยชินของจิตจึงไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้สปกปรกมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันก็ร่างกายนี้สะอาดได้ความจริงกันพิจารณาว่าร่างกายสปกปรกหรือร่างกายสะอาด นี่ต้องค่อยๆทำไปตามกำลังคำว่ากำลังอันนี้ถ้ามาก็จะขอถาวายพระพรว่ากำลังของจิตมีความไม่สม่ำเสมอกันถ้าจะใช้ในด้านของกำลังชานโล ก, กีในตอนนี้พระมหาพิธถ้าหากว่าทรงตำหรับตำราต่างๆ รับฟังมาจากที่ไหนก็ตามเจนว่าบุคคลพูดทรงฌานโลกียังมีคติแห่งสมาธิไม่แน่นอนทั้งนี้ก็หมายถึงว่ายังมีอาการขึ้นลงของจิตบางขณะจิตทรงฌานได้ดีบางขณะอารมณ์ของชานก็เสื่อมตัวลง หาความทรงตัวแน่นอนไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าจิตของบุคคลผู้ทรงชันโลกียังมีความไม่มั่นคงยังมีความโยกโรงจิตยังตกเป็นท่าของนิวรณ์ห้าประการคืออารมณ์ที่เป็นอกุศล น, นอกจากนิวรณ์ห้าประการแล้วอารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างอื่นก็ยังมีมากที่ยังมีอำนาจเหนือจิต ดังนั้นตามที่พระมหาบาพิษทรงตรัสว่าการพิจารณาร่างกายเป็นของสปกปรกนี่กระผมเห็นจะทําไม่ได้เพราะว่าคงจะไม่ใช่จริตของตนอันนี้ยแต่ ม, มาก็ขอรับรองว่าจริตของพระมหาบาพิษไม่ตรงกับราคะจริตความจริงมีแต่ว่ากําลังของราคะจริตมีเป็นกําลังส่วนน้อย กำลังส่วนใหญ่ขเขาเรียมหาบพิษนั่นก็คือพุทธจริญเป็นสําคัญแล้วก็มีศรัทธาจริตเป็นกําลังหนุนใหญ่น้ําพระทัยก็ทรงเติมเต็มเปี่ยนไม่ได้ธมวิหารสีถ้าการอย่างนี้มีกําลังใหญ่ย่อมไม่สามารถจะมองเห็นราคะจริตได้ง่ายนักแต่ก็เป็นผลดีเพราะว่าเป็นปัจจัยสําคัญ พุทธะจริตก็ดีศรัทธาจริตก็ดีกําลังพระมือหารศีกก็ดีเป็นเป็นกรรมฐานที่มีกําลังใหญ่และมีเป็นกุศลที่มีกําลังใหญ่ที่สามารถจะนํากําลังใจให้เข้าสู่ความเป็นอริยมรรคอริยผลได้โดยไม่ยากนี่เป็นอันว่ากําลังของจิตของท่านที่จะพิจารณาในด้านราคะจริต คือพิจารณาการยกตานุสติได้สุภกรรมฐานมีความสำคัญต้องวัดระดับจิตแต่ความจริงอาตมาก็ดีูนดูเหมือนว่าอาจารย์องค์อื่นก็จะมีหลายองค์เหมืหอนกันที่เทศสอนบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเลยเขียนบนรรดาหลับรกรรากันออกมาก็มักจะบอกว่าให้ทำลายอารมณ์ราคาจิตให้หมดไป ในอันดับของชาญมีการพูดแบบนี้ก็ทํามมาและการเขียนก็ตามตอนที่พระมหาพิษธทรงตัดว่าเป็นของยากเป็นปัจจัยอรรมามีความรู้สึกตัวว่าการเขียนตำรายก็ดีการแนะนำบรรดาคณะเิตยานุสิกก็ดีผิดจากพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้พิจารณาว่าคนที่จะรับฟังนั้นเป็นคนอันดับไหนทั้งนี้ก็เพราะว่าอาตมาเองก็ได้เคยถวายพระพรและกล่าวกับบุคคนทั้งหลายว่าไม่ใช่สัพพัญญวิสัยแต่ถ้ว่าถึงกระนั้นคนดีก็ยังแบกความโง่ไปสอนคน อ, อื่นอาตมาขอขอบพระคุณในพะระมหากรุณาธิคุณในข้อนี้ที่ทรงเตือน คำเตือนก็หมายความถึงว่าพระองค์ทรงตัดว่าเข้าใจได้ยาก <c oughs> เป็นการตัดในยากในการที่จะตัดราคะอันนี้ก็ตรงหมายถึงว่าถ้าเป็นกําลังชาโลกีเขาตัดกันเพียงแค่นี้คนที่ปฏิบัติเพียงแค่ชาโลกีจะเห็นว่ายังมีการสมสู่อยู่ระหว่างสามีภรรยายังมีความรักในเพศ ยังมีความโกรธคิดจะประหาดประหารบุคคลอื่นยังมีความหลงในความต้องการต่างๆในด้านวัตถุระบบคนเป็นอันว่าคนในระดับชั้นได้ขั้นฌานโลกีไม่อยู่ในเกณฑ์ตัดอะไรได้ทั้งหมดคาว่าตัดอารมณ์ยังไม่มีเลยสำหรับบุคคลผู้ทรงฌานประเภทนี้นี่ฌานโลกีเป็นแต่เพียงระ ง, งับอารมณ์ได้เล็กน้อยเท่านั้น ถ้าจะปฏิบัติในด้านฌานโลกีในราคาจริคือใช้กายกาตาาุสติกเอาสุภกรรมฐานเอาตามที่ปฏิบัติกันมาถ้าจะว่าค่อยไปตามธรรลาก็เป็นของยากเพราะมองเห็นได้ยากตามที่ปฏิบัติกันมาจริงๆต้องถอยหลังน เรื่อการก้าวเลยไป น, น, นานๆอาจจะลืมหลังได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหาพิษธ ท, ทรงติ่งมาให้เข้าใจมีความรู้สึกตัวว่าถอยหลังลงไปในอดีตขณะที่ปฏิบัติกันอยู่ในขั้นกรรมฐานเบื้องต้นอันนี้จะมีความรู้สึกตนอยู่ว่า ทรงอารมณ์ดีอยู่ในด้านเข่าหนักที่คุมจิตเป็นสมาธิเท่านั้นได้ความจริงในเวลาที่ทรงสมาธิจริงๆบางครั้งก็ไม่มีอะไรเป็นผลหรือว่ามีผลบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นครือรารณมอาจจะสร้างไปสู่หาความสวยสดงดงามตามระหว่างเพศแรือสีสั น, น, นวัฏณคุณวัตถุหรือความรักในวัตถุ ในสูตรทรงของวัตถุในสีสันวัณณะของวัตถุในกลิ่นของวัตถุก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนรู้สึ์ก็จัดว่าเป็นราคะจริตนี่ในบางครั้งที่ทรงชันโลกีเวลานั่งกิเลสมันยังเข้าสิงใจได้ง่ายเป็นของไม่อยากบางคราวขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิทรงได้ดี ระงับตัดอารมณ์ความรู้สึกในความสวยสดุดงามของคนแลนสัตว์และวัตถุทั้งหมดคมใจได้ปกติก็ส่งสมาธิได้แนบสนิทเมื่อเวลาที่จิตถอนออกมาจากสมาธิอารมณ์แห่งการรักในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสและความสัมพันธ์ระหว่างเพศมันก็ยังเกิดขึ้นมาอีกอันนี้สนแสดงว่า บุคคลที่สรงจิตในด้านชาลกีไม่มีอะไรดีจริงๆหาความดีที่เที่ยงแท้นแน่นอนไม่ได้แยกคุมอารมณ์ได้ไม่พอใจในรูปเสียงเลี่ยนลดคือครับรับไม่ใช่ไม่พอใจหยุดไว้เฉยๆเหมือนกับเครื่องจักรคนที่กาลังวิ่งอยู่รถที่กำลังวิ่งอยู่แต่อยู่ๆก็ถอดก็เหยียบเบรกกดไ่้เฉยๆ เครื่องยังเดินแต่ไม่เปล่าวิ่งข้อ น, นี้ก็เปรียบเทียบได้กับคนที่กําลังทรงจิตอยู่ในฌานโลกีหรือขั้นประสูติดาสกิทาคาแต่3ประเภทนี้ยังไม่สามารถจะตัดอารมณ์ของราคะจริตได้เรายังอยู่แ น, นาใต้ของราคะจริตแต่ว่ามีอารมณ์จิตยับยั้งต่ําขั้นสําหรับท่านที่ทรงฌานโลกี ก็จะพึงยับยังได้แค่ช่วขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อจิตไม่ทรงสมาธิก็สามารถจะละเมิดพรมจารีได้หมายความว่ามีความเกลียดกลัวในกามอารมณ์ดีไม่ดีก็ทํากามเมสุเมชาจัยก็อย่างได้เพราท่านบูทรงชาลโลกีจริงๆก็ยังไม่มีอารมณ์สามารถจะคุมศินได้เป็นปกติ ฉะนั้นอารมณ์จิตของท่านเปิดทรงชันโลกีจริงๆยังมีอาการขึ้นลงอยู่มากยังไม่มีการทรงตัวหากว่าจะพิจารณาในขั้นชันโลกีตามีองค์สมเด็จพระจินทร์สีทรงตรัสพิจารณาถอยหลังในด้านการปฏิบัติก็เพียงให้มีการฝึกจิตจยับยังว่าเวลานี้ เราจะหยุดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยับยั้งอารมณ์ความใคร่ในกา ม, มารมณ์เสียโชคราวข่มใจยังไม่ที่ตัดใจไปนในเพียงข่มใจเข้าไว้พิจารณาหาความจริงเพียงแค่ด้วยความลำบากลําบากสักหน่อย ห, อหมายความว่าคิดว่าร่างกายเป็นของไม่ดีร่างกายเป็นของสปกปรกจะเปรียบเทียบกับสุปกรรมฐาน คือพิจารณาคนตายแก่สไตมีสภาวะเหมือนกันเมื่อร่างกายเขาสกปรกได้ร่างกายเราก็สกปรกได้ต่างคนต่างก็มีความสกปรกสม่าเสมอกันไม่น่าจะพึงแปลกหนาสิ่งกันแล้กันว่าเป็นของสกปรกสําหรับในด้นานชาโลกีองค์สมเด็จพระจินนสีให้พิจารณาเฉพาะคณะ อหมายถึงว่านักที่จะรวบรวมกําลังใจให้ทรงอารมณ์เป็นสมาธิพิจารณาข่มใจไว้ว่าจะไม่ยอมเป็นธาตของกามารมณ์จะไม่ยอมให้อารมณ์ของกามารมณ์ ม, มีอำนาจเหนือใจทั้งหมดและข่มใจทรงจิตให้ทรงตัวพิจารณาตัณฑ์ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ ตัดไตใส่ปลอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจาระปัสสาวะว่าเป็นของโสบกโสโครกอารมณ์ในขั้นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ไม่มากจะสามารถพิจรารณาเห็นตามความเป็นจริงได้เพียงชั่วระยะตั้งสองสามนาทีตอนหนึ่งวาระก็มีประโยชน์ทั้งนี้ก็เพระว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ทรงบีบบังคับไม่ทรงเร่งรัดให้ทรงปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิปฏาทาคําว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็หมายถึงว่าทําแบบสบายๆกลางๆไม่ขี้เกียจเกินไปไม่ขยันเกินไปการเคร่งเครียดเกินไปเป็นการทําลายอารมณ์ของตัวเองให้เกิดความหุนหานพุ่งร้านมีความลําบากมีอารมณ์เครียดเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เป็นโรคประสาท แล้วถ้าว่าจะมีการเกลี้ยกลเกินไปก็ใช้ไม่ได้เอาดีไม่ได้พยายามรักษาอาหารอารมใจสบายสบายทั้งนี้ก็เพราะว่าอารมใจของคนทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้ยังหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์คือในราคะจริตจิตพอใจในความสวยสดงดงาม ซึ่งเป็นของตรงกันข้ามกับความเริจริงมาลับนับเป็นหลายๆอสงไขยกับสะสมมานานสิ่งสกปรกที่สะสมมานานอยู่ๆก็จะมาล้างให้หมดไปภายในพิษตาเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนกับแท่งเหล็กใหญ่ปล่อยสนิมเกาะมาเป็นแสนปีอยู่ๆก็จะมาเคาะหนึ่งทีสองทีให้สนิมหมด อันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะชั้นเขาสนิมมันหนามาดยิ่งนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าจึงบอกทงตตัดว่าให้ค่อยค่อยทำค่อยค่อยคิดแต่ว่าคิดไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดใช้เวลาใกล้คลวรไม่หยุดเวลาพิจารณาก็ใช้ปัญญาให้ถึงความเป็นจริงดึงลิ้นออกมาดูว่าลิ้นสกรปรกหรือสะอาด เวลาถ่ายอุจาระออกมาก็พิจารณาดูว่าอุจาระสกปรกราหารือสะอาดถ่ายปัสสาวะออกมาก็พิจารณาดูว่าปัสสาวะสกปรกราหารือสะอาดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหลั่งไหลออกมาก็พิจารณาดูว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสกปรกหรือสะอาดอาหาร <c oughs> หที่กำลังบริโภคอยู่เคี้ยวเคี้ยวเวลาที่จะบริโภคคนส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้พิจรารณาเป็นอาหาเรเยปริกูณาสัญญามักจะมีความรู้สึกว่าอาหารนี่มีรสอร่อยอาหารนี่มีสีสวยอาหารนี่มีกลิ่นดีมีความเรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษมีความพอใจถ้าคิดว่าอาหารได้เล็กน้อยหรือละเอียดพอสมควรก็บ้วนออกมาบวนออกมาหลายหลายคราวแล้วกลับบริภคเข้าไปใหม่ อาตมาคิดว่าหาคนทำได้ยากทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าทุกคนก็จะพาเกเห็นว่าอาหารนี่มันสกปรกเสียแล้วนี่การพิจารณาเห็นว่าสภาวะสกปรกในกล้างกายของตนมีความสําคัญพเพอเห็นว่าร่างกายของตนเองมีความสกปรกก็พิจารณาเห็นร่างกายของบุคคลอื่นที่เราต้องการมีความสกปรกได้ มีเรื่องไหลเรื่องซึ่งอาตมาจะไม่ขอวถวายพระพรในทรงทราบเพราะว่าพระมหาบพิตรก็ทรงทราบดีแล้วเพราะว่า ม, มีพระราชจริยาวัดความสามารถในด้านนี้เป็นกรณีพิเศษสามารถทรงวินิจฉัยรายละเอียดยริงไปกว่านี้ถ้าจะกล่าวไปก็ยาวความกล่าวออกมาเพียงเท่านี้ ก็เข้าใจว่าพระมหาโมพิสทรงทราบได้ตลอดว่าการพิจารณาจิตในด้ดนเอาสุปกรรมฐานกับกายกตานุตติไม่ได้ว่างที่ทรงชานโล ก, กีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นปูโทชนในตอนนี้เพียงแ ค, แค่ใช้อารมณ์ระงับชั่วคราวเท่านั้นว่าการระงับชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งครั้งแล้วสองสามนาทีก็ตาม ถ้าทำไปบ่อยๆ อ, อารมณ์ติดก็จะเกิดความชินเหมือนกับคนเรียนหนังสือเรียนวันแรกตัว ก, ก็อ่านไม่ได้จำไม่ได้เขียนไม่ได้ถ้เรียนนานๆไปความเคยชินปรากฏก็สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างในหลักวิชาความรู้นี่การเจริญพระกรรมฐานและด้านสุภปสัญญาก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ในการปราบราทจริตก็เช่นเดียวกันค่อยๆทำไปครั้งนันเล็กครั้งนันน้อยหนักเข้าหนักเข้าจิตก็สามารถจะคุมเวลาได้สักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงคุมอารมณ์ให้จิตไม่เข้าไปยุ่งกับการมารมุด้วยประการทั้งปวงทั้งบุคคลทั้งสัตว์และวัตถุคำว่ากามารมอารมณ์ประกอบบริการมคำว่าการแปลว่าความคลายอยากจะได้เข้ามา ไม่ใช่หมายความทั้งว่าร่วมรักในระหว่างเพศเสมอไปการตีปัญหาความหมายเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญคนนงหลายที่ไม่เข้าใจก็มักจะคิดวว่า ร, ราคะจริตต้องเป็นเรื่องของเพศระหว่างเพศเสมอไปความจริงไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่ความพอใจในความสวยสดงามของวัตถุ พอใจในความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายพอใจในความเรียบร้อยความสะอาดของพื้นที่อะไรก็ดีอย่างนี้จัดว่าเป็นราคาจะจริตหมดสำหรับพระมหาภาาพิตอัตตมาทราบว่าถวายพระพรมาเพียงเท่า น, นี้พอเข้าประทไทยดีมากเพราะมีพระสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกณีพิเศษแต่คนอื่นอาจจะมีความไม่เข้าใจ ว่าทำไมนะคนแต่งตัวให้เรียบร้อยจริงมีราคะจริตจัดบ้านให้สะอาดทำมาเช่นเรียกว่าราคะจริตจัดความเรียบร้อยของพื้นที่และจริยาทำมาเช่นเรียกว่ามีราคะจริตคาว่าจริตแปลว่าจิตเที่ยวไปราคะเนื่องในความสวยงามถ้าจะถามว่าการจัดบ้านให้เรียบแต่งการให้เรียบ ทำพื้นที่สะอาดทำร่างกายสะอาดทำวัตถุสะอาดเป็นบาปหรือเป็นบุญอันนี้ทำไมก็ต้องขอตอบว่าการทำความดีเป็นบุญเพราะบุญแปลว่าความดีจัดบ้านสะอาดทำให้จิตใจสบายใจสะอาดไปด้วยใจเครื่องแต่งกายให้สะอาดใจก็สะอาดไปด้วยใจไม่สกปรกไม่ยว่าใจสบาย การทําจริยาให้เรียบร้อยเป็นความดีเพราะทำจิตใจให้เป็นสุขคนนี้ว่ามองเห็นก็มีความสุขอย่างนี้เป็นความดีแต่ว่าแต่จะถามว่าถ้าเป็นความดีแล้วทาไมองค์สมเด็จพระจิตรสีจึงเรียกวาราคาจริตต่อหาทางตัดกันอันนี้ก็ต้องถาวายประพรอนว่ายังเนื่องอยู่ในฐานะปุถุชนคธนธรรมดา เรื่องความสะอาดนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้และมีการบังคับแม่มรดาพิสุสมท่านหลายปฏิบัติให้เคร่งครัดถ้าพระองค์ใดไม่มีความสะอาดปล่อยให้เล็บมือมีขี้เล็บนิดเดียวเท่านั้นองค์สมเด็จพระทรงทังก็ทรงปรับเป็นโทษอันนี้จะมองเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงต้องการความสะอาด แต่ความสะอาดในที่นี้องค์สมเด็จพระจินทร์ีทรงตัดเพื่ออนาคตใหม่เท่านั้นไม่ใช่มีความผูกพันสําหรับบุคคลที่เป็นปุถุชนคนธรรมดามีความผูกพันมากเกินไปหมายความมีความพอใจในความสะอาดมากเกินไปถ้าร่างกายไม่สะอาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะอาดก็รู้สึกว่าจะมีความไม่สบายใจ ความไม่สมบายใจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยของความทุกข์ดันั้นต้องวางอารมณ์เสียทําใจให้สบายว่าส่วนใดที่จะรักษาความสะอาดได้ดีก็ทําถ้าทรงความสะอาดได้ดีไม่ได้มันจะไม่สะอาดก็จําที่ต้องปล่อยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่เพื่อนั้นว่ากําลังของปุถุชนคนธรรมดาคนหนานแน่นไปดุกิเลส องสมเด็จพระพุมโนเกจเชตไม่ได้คายคั้นว่าจะต้องตัดกายยกรตานุสติเมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นของสกปรกจึงกทั่งไม่ยึดถือเอาเลยหรือว่าพิจหหารณาเมื่อแรงกายเป็นอรสุขจึงทั่งไม่ยึดถือเอาเลยแม่ได้เพียงว่าให้ยับยังมีความรู้สึกไว้บ้างในบางขณะ ว่าเวลานี้เรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายเป็นของไม่สะอาดร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นของไม่สะอาดไม่ไม่ควรที่จะมามัวเมาในร่างกายของตัวและร่างกายของบุคคลอื่นแต่เียว่าเวลาที่ไม่ได้คุมอารมณ์เช่นนี้บางครั้งก็ทำกามอารมณ์หรือทำเป็นปกติบางดีไม่ดีก็ทำกามเมสุมิชา้าจานไปเลยนี่สาหรับโูชันโลกี นีก้าวกำมาสู่อารมณ์ของชาลโลกุตระถ้ามีอารมณ์เป็นพระโสดาบันในด้านกายยกตาโนติอสุภกรรมฐานก็ยังไม่มีความหมายยังมีกำลังอ่อนมากหรือเกือบจะไม่มีเลยเพราะว่าพระโสดาบันก็ยังมีการแต่งงานมีสามีมีพันยามีลูกมีเต้าดูตัวอย่างนาวิสาขากับ พัญญาของพระาหมณ์กุโกตมิตรหญิงดังสองคนนี่เป็นประโสดาบันมาตั้งแต่อายุเจ็ดปี <c oughs> แต่ดังสองคนก็มีสามีมีมบุตรมีธิมดาเหมือนกันเป็นอนันเรื่องกามารมยังเต็มอยู่สำหรับประสูดาบันแล้วก็ยังมีความรักสวยรักงามแต่คนที่ไม่รักสวยรักงามเขาก็ไม่แต่งงานแล้ว <c oughs> ยังนางวิสายขาก็มีเครื่องประดับราคาถึงสิบหกโคตรอย่างนี้เป็นต้นถ้าสร้างวิหารในองค์สมเด็จพระทศพลผ้าแต่ละผืนหญิงผู้เป็นเพื่อนมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งราคาห้าแสนก็หาปณะนะปูลงไปไม่ได้เพราะผ้าในกุตินั้นแต่ละผืนราคามากกว่านั้นของที่จัดถวายก็จัดประเพณีของเลือดทุกอย่างต้องสวยทุกอย่างต้องดีทุกอย่าง นี่สแสดงว่าพระโสดาบันก็ยังมีการมาราคะยังมีราคะจริตเต็มตัวยังไม่ยัดยัง้งตะกตั่นดเนินไว้ได้ด้วยการมีุมิชาจารย์อามนาจสิงกั่นไม่ทําการมสีสมิชาจาันเท่านั้นความรักสวยรักงามการวางในร่างกายยังไม่ได้วางเลยนี่ต่อไปเข้าถึงพระสกิทาคามี ในตอนนี้ตามกระแสพระสัทธมเทศนาเขององค์สมเด็จพระจินสทีทรงตัดว่าพระสกิทาคามีก็ละสังโยชน์ดได้เท่าพระโสดาบันคือกายสกกายติทิสกกายยติฐิเขมาโสดาักับสกิทาคายังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มีความรู้สึกเบาๆที่เน่งกล่าวว่าพระโสดาเกษิาขาเป็นด้านอาทิศีลจิตศิขา <c oughs> เป็นผู้มีศีลดีเท่านั้นยังไม่ถึงอาธิจิตศิขาาฉะนั้นในด้านกายกในด้านกายกากายกะตันส ก, กายยทิฏฐิจึงพิจารณาเห็นแต่เพียงว่าร่างกายมันจะต้องตายเป็นปกติเราไม่สามารถจะยับยั้งมันไว้ได้ แต่ว่าก็ยังเห็นว่าร่างกายเป็นของเป็นเราของเราอยู่เพียงรู้ตัวดีกว่าปุถุชนคนผู้หนาแ น, น่นไปท่วกิเลสที่ไม่เคยคิดว่าตัวจะต้องตายมีความมีความเมาในร่างกายเป็นปกติคิดว่าตนจะสรงอยู่นี่ถ้าพิจารณาตามกระแสประสาธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมนครู จะมีความรู้สึกว่าพระโสดาบันยังปกติในด้านกามารมพรราคาจริต <c oughs> ในร้านความรักสวยรักงามยังไม่ถอนตัวแต่ถ้าว่าไม่เผลอไม่ละเมิดศีลในด้านการมาสีสมิชิาจา์เท่านั้นมาถึงพระสีธาคามีท่านบอกว่าทำโลภความโลภทำโทสะความโกรธ ทำโทโมหะความหลงให้เบาบางหลงยังไม่ได้บอกว่าตัดกามราคะรือตัดความรักสวยรักงามนี่เป็นอนุวาท ถ, ถ้าถึงพระสกิทาคามีก็ทรงความดีเท่าพระสงนาับัณฑแต่ว่ากำลังน้ำใจของพระสีทาคามีนั้นเต็มเปี่ยมไม่ได้พรมริหารสี มีความเมตตาปราณีกับบคุคคลนสัตว์ผู้มีความลาบากบริจาคทานเป็นการสงเคราะห์อยู่เป็นปกติถ้าสิ่งใดไม่เกินวิสัยที่ตนจะให้ได้ก็เต็มบริการสงเคราะห์คนใดที่มุ่งการสงเคราะห์บุคคล อ, คอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นชี้ว่าเป็นผู้บันเทาความโลภได้เป็นอย่างมากเป็นอาการของพระสีธาคามี ตอนนี้มาในด้านของความโกรธพระสกิทาคามีก็ยังมีความโกรธแต่ได้ว่ามีการให้อภัยแก่บุคคลผู้ทำผิดไปจัดเปรนอภัยาทานทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าสิ่งใดที่เป็นไปตามระเบียบตามวิ น, นัยตามกฎหมายตามกฎข้อบังคับที่วางไว้จะให้อภัยไม่ได้ต้องทำตามแบบจฉบับทุกส่วนสัตว์เพราะอะไรเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นพระเดชเจ้า ทรงเคารพในระเบียบวินัยเป็นอย่างมากไม่ทำลายระเบียบวินัยตอนนี้ว่ากันถึงด้านความหลงพระอนาคามีก็ทำจิตให้มั่นคงในเรียกว่ากายสกายยตานุสติสกายยติถิที่เจ ร, ริญในเมรางกายนี้นอกจากจะตายแล้วมันมีสภาพไม่เที่ยงอยู่ก็มีความรู้สึกเล็กน้อย คำว่าไม่เที่ยงเห็นบ้างแล้วก็ไม่เห็นบ้างยังทําใจไม่แน่นอนไม่ทรงอารมณ์เป็นได้ ก, ะกะตาอารมณ์นักแต่มีความไม่ประมาทในชีวิตจริงขึ้นก็คิดว่าความตายอาจจะมีกับเราในวันนี้ก็ได้จิตใจใกล้มีความรู้สึกใกล้กับโมรณานุสติมากขึ้นเป็นอารมณ์มากขึ้นนีความไม่ประมาทจึงมีคิดว่าถ้าจะตายชาตินี้ถ้าเกิดไปชาติหน้าใหม่ ถ้าจะต้องเกิดก็ขอให้เป็นคนรวยอย่ารวยได้ก็เพราะการให้ทานตัดโลภะ ค, ความโลภไปบ้างตามสมควรคนที่ให้ทานได้ฉันได้ว่าคนมีคนนั้นมีความโลภน้อยนี่เลยการหนึ่งก็ต้องการมีความสุขมีความสำหรับในสมัยที่จะเกิดขึ้นใหม่มีร่างกายรูปร่างหน้าตา ส, สวยมีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์ จึงได้มีทรงพรมีอาหารสี่และมีอภัยทานเป็นปกติจิตใจเป็นสุขเมื่อจิตใจเป็นสุกร่างกายก็เป็นสุขถ้าอรมณ์ในชาตินี้เป็นสุขอารมณ์ในในชาติหน้าในการเกิดใหม่ก็เป็นสุขก็เป็นจิตดวงเดิมนี่ด้านมัวหาความหลงท่านตัดใจตรงเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตนี่จะเห็นว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามิต ก็ทรงรับรองว่าพระสะกิทาคามีนี้ยังไม่สามารถทําลายราคาจะจริตญรงไปได้นี่ที่อาตมาเคยเห็นไว้ในหนังสือก็ดีอธิบายไว้ก็ดีว่าทุกคนในตัดใจทําลายราคาจะจริตให้หมดแนตะ่อันดับต้นนั้นผิดอาตมาขอยอมรับว่าเป็นการผิดพลาดที่ไม่ควรในก่การให้อาภายัย เพราะว่าการพูดไปไม่ได้คิดถึงกำลังใจของบุคคลอื่นคิดถึงกําลังใจของตอนเองเป็นสําคัญคิดว่าตนทําแบบไหนได้คนอื่นจะทําแบบนั้นได้ลืมคิดไปว่าจริตของบุคคลจริยาของบุคคลกําลังใจของบุคคลย่อมไม่สม่ําเสมอกันไม่ได้เอาพระธรรมคําสั่งสอนองค์ทุนพระทรงทันตามลาดับมาพูดในแก่บรรดาพูต้ต บ, บริษัทธฟัง ดันั้นการที่พระหมหาพิทธทรงติงมาจึงจัดว่าเป็นประโยชน์ใหญ่มีเก้าต่อไปคึงบุคคลที่จะทำลายราคาจริตได้ในในขาดอันนี้องสมเด็จพระบระมโล ก, กน่ายกล่าวถึงพระอนาคามีสาหรับพระอนาคามีนี้ตัดได้ขาดแน่แต่ว่าถ้าพระหมหาพิทธจะสงสัย เมื่อตอนต้นกําลังใจยังไม่ดีตัดไปขาดจะมาขาดกันได้ยังไงในตอนนี้อาตมาก็ต้องขอถาวายพระพรว่าถ้าจะทบทวนกําลังใจไปตั้งแต่ต้นจนกระั่งถึงอนาคามีจะเห็นว่ามีความเข้มแข็งของกาลังใจมากขึ้นตามลําดับเร้อยในลาดับแรกคนเราที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาผู้ห น, นานั่นไปด้วยกิเลส คนประเภทนี้เป็นคนที่มีความใจร้ายคือมีความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติโหดร้ายได้กับสิงข้อที่หนึ่งทำลายสิงข้อปานามือไวได้แก่การลักการขโมยแย่งชิงวิ่งราวเป็นต้นคดรโกงเขาใจเร็วก็หมายถึงว่าระมิดในกาอารมณ์ในด้านกาเมสุเมชาจานพูดปดเป็นปกติ ชอบพูดความได้ไม่จริงหมดสติเอาน้ำเมาเข้ามาย้อมใจไว้เสมอกินกินเข้าไปแดงกายใจมันก็ประมาทนี่คนที่เป็นปุติชนบุญหนาแน่นไปด้วยกิเลสเดต้ได้ดทรงความชั่วห้าประการครบถ้วนบางคนจะดีขึ้นมาบ้างก็เว้นได้บางข้อแต่บางท่านบอกว่าทาประเมิดเพียงแค่บางข้อสองข้อเท่านั้นข้ออื่นไม่ทา แต่บางทีก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันถ้ายังไม่ได้สัมผัสสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมาจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราสามารถจะเว้นได้มันก็ไม่ถูกนี่เป็นอันว่ากําลังใจของคนที่เป็นผุ้ตุชนสร้างความชั่วหาประการได้ครบแล้วก็ทำมากกว่านั้นก็ได้แต่ต่อมามาควบคุ ม, มกาลังใจบ้างเล็กๆในน้อยในกําลังของชาน ก็เป็นคนมีสินดีบ้างมีสินชั่วบางคำว่าสินชั่วคำว่าเนื้ว่าสินขาดพรอจิตใจเก้าวเข้ามาถึงความเป็นพระสงดาบัน่นคราวนี้ความมั่นคงของจิตเกิดขึ้นคือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามั่นคงสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระอริยสงฆ์สี่มีศินห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ห มีพระนิพานเป็นอารมณ์ถ้าเยสเหมือนนิดก็ต้องมีพรมิหันพรมิหานสีเป็นปกติแล้วก็มีหิริโลตะปาเป็นปกตินี่เป็นอันว่าสําหรับพรมิหานสีก็เป็นอย่างแบบเบาๆกระโซนดาบันจะเหนว่ามีจิตเข้มแข็งกว่าบรรดาปุถุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสมาก ต่อมาถ้าก้าวไปถึงพระสีทาคามีก็ทำลายความโลภพใการจากพะตามที่พระมหาพุทธเคยพิจารณาเพื่อวินิจฉัยมาให้โสให้ทราบ ว, ว, ว่าใช้คำว่าละสละหรือว่าละเพื่อความสุขของคนอื่นถ้ามันละจริงๆต้องเป็นอาหารอาตมาขอใช้คำว่าสละไม่ใช่เสียสละ เสียสละตามที่พระมหาบพิตรนิชัยมาบอกว่าเป็นเรื่องของปุถุชนนี้อาตมาเห็นชอบด้วยแต่ตําหรับพระสกิทาคามีนิช้คำว่าสละสละอย่างชนิดไม่มีเยื่อใหญ่อะไรนักแต่ต้องดึงเพราะรมใครยังมีอยู่ในทรัพย์สินเป็นการผ่อนปลนความโลภให้หมดไป เรามีกําลังใจในด้านพอ ม, มีหันสีสูงขึ้นละเอียดขึ้นจนเป็นอภยนัยยาธิเพราะว่าโกรธจะให้อภัยได้เป็นของมันเป็นของหนักไม่ใช่ง่ายนักและความหลงคลายตัวคิดถึงความตายทีเข้ามาอารมณ์ที่จะส่งได้อย่างนี้นั่นก็ต้องแสดงว่ามีความเข้มข้นของจิตมากไม่ใช่เล็กน้อยมีความเข้มข้นจัก นี่ตอนที่ก้าวเข้าไปสู่คือพระอนาคามีจึงเป็นของไม่ยากการที่จะทรงอารมณ์ทำลายราคะจริตถินว่าร่างกายสวยวัตถุธาตุสวยให้หมดไปทำความรู้สึกในเพศห้สินไปอันนี้จึงเป็นของไม่ยากเพราะว่าเป็นการก้าวมาตามลำดับเวลาหลีอนิดน้อยแต่มาก็ขอสรุปเป็นอนววาสรับราคะจริต ขอประมาฮาบอกพิบรรดาท่านพุตธบริษัทผู้รับฟังได้โปรดทราบพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าให้พิจารณาไม่ใช่ไม่ใช่กรรมฐานภาวนาพิจารณาหาความจริงในร่างกายของตนในร่างกายขาาองคนอื่นพยายามหาความสงบลกให้พบถ้ายังไม่พบก็สแสดงว่าอารมณ์ยังมึดอยู่ ทั้งนี้พระว่าองค์สมเด็จพระบรมครูทรงยืนยันว่าทำส่วนใดที่องค์สมเด็จพระพักตรวันทรงตัดทำส่วนนั้นเป็นความจริงไม่ใช่คําเท็จนี่ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณากันว่าทำใดหนาะแลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าร่างกายเป็นของสกปรกร่างกายเป็นชิน้นเป็นท่อนเป็นตอนเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ใช่เป็นแท่งทึบ ข้อนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงใช้ปัญญาคลาหยิบผมลงมาดูที่ผมกับเนื้อรักษณะมันเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนผมปล่อยไว้นานๆสะอาดเ ร, รียบอยสกปรกก็จะเห็นได้ว่าเป็นของสกป ร, รกแล้ดูส่วนต่างๆของร่างกายเช่นอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเศษน้ำลายเป็นต้น หรือว่าวัตถุธาตุต่างๆดอกไม้ที่มสวยสดงงามไปหยิบไปจับเอามาตาก ท, ทิ้งไว้เอาคล้ายเอามาจากต้นตัดมาแล้วไปวางไว้เฉยๆแล้วใส่แจกันไม่มีน้ำเพียงแค่ไม่สิ้นวันก็จะแปลแสดงอาการหิวย่นความสุขโปรกลิ่นหอมจะหายไปอันนี้อาจจะมาพรอขอถาไวายพระพรพระมหาพรหพิตแล้วก็ขอกล่าวกระดดาแทนพรรุทธบริษัททุกท่าน ว่าการใช้อ า, อาสุปสัญญายก็ดีการใช้การปฏิกรรมฐานคนดีเป็นการทําลายราคาจริตนั้นก็ใช้ตามกําลังจิตของตนกอสามารถไม่สามารถจะระ ง, งับได้ทั้งวันก็ใช้เฉพาะเวลาเฉพาะสองสามนาทีต่อวาระให้จิตมีอารมณ์ชินเมื่อจิตมีอารมณ์ชินแล้วภายใ น, นไมชาตินานเท่าไหร่ก็สามารถจะทําลายได้ตามความประสงค์อาสําหรับ ราคาจริตนี้ก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้